3. นหานวัตสิกขาบทที่หนึ่งสองร้อยยี่สิบถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้เปลือยกายอาบน้ำณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตณกรุงสาวัตถีถาม